ปัญญาสติกับนามรูปดับเพราะวิญญาณดับพุทธวจนะบทนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะจะทำให้เห็นว่าสิ่งที่เราชื่นชอบชื่นชมและทำให้มันเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาและฝึกมันอยู่ตลอดเวลาคือสติกับปัญญานั้นที่สุดแล้วมันก็เป็นสังขตธรรม คือทำไยเกิดดับที่เราต้องทิ้งต้องปล่อยต้องวางอยู่ดีจึงมีคนไปถามพระพุทธเจ้าคืออาชิตะถามว่าสติและปัญญาเนี่ยดับไหมพระองค์ก็บอกว่าดับดับเพราะนามรูปดับนามรูปดับเพราะวิญญาณดับนั่นแสดงว่าสิ่งที่เราใช้นะเพื่อเข้าถึงมรรผลนิพพานคือตัวสติและตัวปัญญานั้น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 ส่วนภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ปฏิบัติอย่างนั้นแล้วย่อมได้เฉพาะซึ่งอุเบกขาว่าถ้าไม่ควรมีและไม่พึงมีแก่เราก็ต้องไม่มีแก่เราสิ่งใดมีอยู่สิ่งใดมีแล้วเราจะละทิ้งสิ่งนั้นเสียดังนี้ภิกษุนั้นย่อมไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำสรรเสริญ ไม่เมาหมกอยู่ซึ่งอุเบกขานั้นเมื่อไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำสรรเสริญไม่เมาหมกอยู่ซึ่งอุเบกขานั้นวิญญาณของเธอก็ไม่เป็นธรรมชาติอาศัยซึ่งอุเบกขานั้นไม่มีอุเบกขานั้นเป็นอุปาทานอานนภิกษุผู้ไม่มีอุปาทานย่อมปรินิพพานแล การปริญญิพานจากพุทธวจนะบทนี้เราจะเห็นว่าถึงแม้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ประเสริฐที่สุดมีความสามารถสูงที่สุดก็ยังมีความแก่เจ็บตายเป็นธรรมดา น, นั่นเองน่ที่พระองค์บอกว่าวัยของเราแก่หงอมแล้วชีวิตของเราลิบหลี่แล้วเราจักละพวกเธอไป และพระองค์ก็บอกว่าสารณะของพระองค์นั้นพระองค์ได้ทำไปแล้วส่วนสารณะของพวกเรานั้นทำหรือยังที่พึ่งของตัวเราเองได้ทำแล้วหรือยังพระองค์จึงเตือนให้พวกเราทั้งหลายนั้นเป็นผู้ไม่ประมาทนะมีสติมีศีลเป็นอย่างดีและพระองค์ก็บอกว่าถ้าพวกเราเนี่ยตามรักษาซึ่งจิตของตนเองเนี่ยผู้นั้นเนี่ย จะทำที่สุดแห่งทุกได้จะละชาติสงสารก็คือละการเกิดได้นั่นเองสงสารในที่นี้ก็คือตัวสังสารวัตรละการเกิดในสังสารวัตรในการเวียนเกิดเวียนตายที่หาที่จบสิ้นไม่ได้สัตว์ทั้งปวงทั้งที่เป็นคนหนุ่มคนแก่ทั้งที่เป็นคนพาลและบัณฑิตทั้งที่มั่งมีและยากจน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 ภิสุใดเป็นผู้ไม่ประมาทแล้วจากละชาติสงสารทำที่สุดแห่งทุกได้